สีติงคารุมาเสปราจิตต์ะปิยานะคะวะหิสัมมาตะโตโอสิโยสุชนัตตาคาภะตาอัสุร สิรัสสี น, ททสบบนันเมตโยสัพปะนาิา น, า, านสัพนรตมะมารุสกิานาวันาไมตังสิเรธังสบบสทโท ส, สะหนมดาวุตตเมสานิะ ข้าตาตาาตาเดขาสาหัอรีนิสาริอังตันจุดวันั้นโตห้งาลตาเม่เดขาดเสบอโศบริตังนาทีสัปนั เทสัสเนวุทธัง a อามาเนยังปัญสุตังิทาตามเอภิอัตตาญาณีมาเหสุตัสสิจัสส เพียงข ม, มานุสติในยัญชะออาการ ม, มสา เ, ออาาอเอสขะดาลาตัมโมแทเนกโกะอาเนกะตเโกะโอปะนัยโกปัตตัเวทัปโอ ติถ่งกัลรมัสเสีขะตาตาตุนาโละเตัสโยโยขะพะขะพะตุโมขะเพโลนามโอโกรขะปะตนาตระคลิกาวัน ตโโสสังกรรมลสนานนดานะามุตตะมเอทนุสา น, าสานวันนาไม่ตังเสงมะสหติล า, ามโมโอติโสมโลค ราคาาเตตาสัจจิอาตาาิรอันกันิาวันนันโตหาตาเมอาสธมตังอาติเสะนัมอโมเสรา เาวัจนะวัดทียงสัตวสซาสีกรรมวันอามะนุระยังกุะญสัตังอิทาสามีที่อันตรายามีมาหตุงตาสกิสสะา นามิยังสังขารุสตินัยัญจะการมเสเทวาตโสสาอาตสาโหโสเสปะเจปโนตะวาโสสาอาสาโหยาเยปะเจปโน ภราตซาว่ากาสังโฆซานิเกปาเกปนุภราตภังโฆเังกาตาื้สาโยคานือัตสาโขาเอืสาภราตซาวากาังโ ตังโอกสสตย์ทนเรยังสังขารีติงการมาเสเสบัเสบักกุาปยุตโตยื่อสังารเรือโอกาสังขาเสตโต ตัวรานะหังตามิยานะกันเถสท้าสะโคโยสับบาปานีนาสารังแควุตามาสาธิตานลสติสนางมันนมเมตังสือนาสะาาหาสัินาสะอว สาโลข้าโคโลคัสคาตาจามือคาตาจามีตัสสนีคาคาตาฮมืออาณีมีสารีอันชีตันชีราวานังโตหังกายคาคาโซปุจปัญญาตานาติมีสัขานังา สังโฆมิสาระระเอเทสัจวาจุะวะเทสัตสสิสิสังฆมิลาีนะยาบุรังปะเทตังอิทาคาเมติอันตัามีมาเฮสุสัสสิตส เกมเทศบอกเรื่องอะไรเกษยรสององนี่แหละแล้วาจาระบอกกันรือให้เสียเทบอกรื่อนะอันนั้นนีอาจารยะอเอาพัดจะเอางาสองอันนี่ให้พืนที่าวาให้พือนเทศสองสองอันนี่เอาเพัดเปลี่ยนอันไหนไหนบอกกันเดี๋ยวไหนก็เอาพืน้นที่ภาวาพือนที่เทศเทศตามหนังสือปรุงอายุสังขาร ใครประเทศตรงเอาหรือสังขารหรือจะให้ใครพาพาว่าเสถียาหรือจะให้ใครหรือจะให้หัวมดบ่เอาเตสบอกันเข้าสิ่ยืนคันยืนมัดสื่ยืนไหวบ่เขาใส่สิบอลร่องนั่งเอาเทไว้นั่งพัเพียบเอาไม่ยืนกระยาล้นั่งพักเพียบว่าเอากระไดะ้ยู พันยืนมาที่ปวดขาลายใส่สีรุ่งนะนั่งว่าเอากระไรฮะว่าแน่เก่ะมารี่มาลี่ก็เอาน้ำกระไรอยู่บนย่าวนายตัวฮะเอาภาษาไทยเลยหรือไปจะนำเก่า ปูชาพระรันตนตรให้ว่าตามวันนี้ถึงวันมาฆบุรณมีพระจันทร์เต็มดวงประกอบด้วยมาฆนักสัตรเกซึ่งเป็นวันพระตถาคต พระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสวดโอวาทปาติโมกในสาวกสันนิบาตอันประกอบด้วยองค์งสี่ก็ครั้งนั้นพระขีนาศพรวมทั้งหมด 1,250 องค์ด้วยกันท่านเหล่านั้ น, น, ล, น, นล้วนเป็นเอหิพิขุขทั้งใครๆไม่ได้นิมนต์มาสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้ า, น า, จาในสาวกสันนิบาตนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงธรรมวิสุทธิปะอุโบสถอันอุดมเวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุรณมีนพระวิหารเวลุวันกาลันทกะนิวาปสถาน ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมะ ส, ส, สาวกสันนิบาตของพระผู้มีพระภาคเจ้ า, ข อ, า, จาของเราทั้งหลายรลประกอบด้วยองค์สี่มีภิกษุ1250 12 12ล้วนพระขีนาศพทั้งสิน้น ได้มีกล่าวเดียวนี้เท่านั้นบัดนี้เราทั้งหลายมาถึงมาคะปุระณีนักสัตตะสมัยมเช่นกับการดังกล่าวมานั้นระลึกถึงอยู่ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้เสด็จปรินิพานไปนานแล้วจึงพากันบูช า, พ, พ, า, พ, าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้ น, งง น, นและพระภิกษุ1250รรูปเหล่านั้นพพด้วยเครื่องสักการะมีเทียน รูปและดอกไม้ณเจดีสถาน น, ถานี้เป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้ น, น, นสาทุาข่าแต่พระองค์ผู้เจริ ญ, รรญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกแม้เสด็จปรินิพานไปนานแล้วด้วยดีแต่ยังดำรงอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายงาจงทรงรับเครื่องส ก, การะเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินสาธุสาธุสาธุเอาไปนี่ก็ฟังเทศะฟังเทศเรื่อง บรมศาตราปรงอายุสังขารพระเป็นวันปรงอายุสังขารประเทศปปรงกัวันปรงอายุสังขารเสียงเสียงออกนอกอมันจะไปดังเสียงกับวานานีมั น, มนม่ชัดเสียงออกลเลนเซมปเป เรือยเทียนเทียนไปบ่เียน เ, ยเสนสองคนหรเอ้าสองคนร ห, หลายคนหลายเป็นสี่นิ่งกันสองคนเหรหลายคนหลายเป็นสี่นิ่งกันไปเขียนไปซะจบไปปันปันงานกันทาเทียนพทีนั่นทั ว่านมโมซะว่านมโมเป็นพิธีซะเดี๋ยวเดี๋ยวเ อ, เ, อใใเอาไปจนถึงสายไปเอาไปจนถึงสายพอดีถึงปินี่ได้พลานเหรหรือบอฮะว่าถึงหรอกเนาะเอาเฉพาะทุกข้อนบอเราบอบองนาเออตาไม่ละเออ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 นับแต่พระศาสดาตัดสรู้แล้วได้เที่ยวจาริกไปในชนบทน้อยใหญ่สั่งสอนมหาชนให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสให้ได้บรรลุธรรมมาพิสมัยตามอุปนิสัยของตนของตนแล้วเห็นว่าพระศาสนาของพระองค์ประดิษฐานอยู่สมควรปรารถนาไว้เดิมแล้วนับแต่พระองค์ได้ตัดรู้มาได้4 4่สิพรรษา โรงอายุสังขารคั้นพรรษาที่ส5สิบห้าพระองค์เสด็จออกจากอัมพะปาลีวันไปสู่บ้านเวรุวะคามแขวงเมืองพาภัยสาลีนครคั้นจวนจะเข้าพรรษาแล้วพระองค์จึงทรงอนุญาตให้พิสุได้จำพรรษาในแขวงภัยสาลีนั้นตามอัธยาศัยของตนของตนส่วนพระองค์เอง จำพรรษาอยู่ที่บ้านเวรุวะคามนั้นในภายในพรรษานั้นพระองค์ก็ทรงพระประชวนชราภาตันกล้าแข็งเกิดทุกขเวทนาใกล้จะมรณะชนพินาศแต่พระองค์ทรงดำรงพระสติสัมประจัญญะไม่ให้ชราพาตนั้นเบียดเบียนพระองค์ได้ทรงกลั้นด้วยอทิวาสนขันติคุณ แล้วพระองค์ก็ทรงขับไล่อาพาธนั้นเสียด้วยอิทธิบาทภาวนาทันดำรงพระกายเป็นปกติแล้ววันหนึ่งพระองค์ทรงนั่งณนะที่ร่มแห่งวิหารพระอานนท์เถระเจ้าเฝ้าถวายนามส ก, การแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้เห็นความผาสุขแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วความที่ทนทานอดกลั้นแห่งพระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ได้เห็นแล้วแต่อาศัยที่พระองค์ทรงประจวนกายของข้าพระองค์ประหนึ่งว่าพระงมไปแม้ทิศานุทิศก็ไม่ได้ปรากฏทำทั้งหลายก็ไม่สว่างแจ่มแจ้งเพราะมาวิตกถึงความประจวนนั้นแต่มายินดีอยู่หน่อยว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรารกที่สุดสงแล้วตรัสคาอันใดอันหนึ่ง ถ้าพระองค์จึงเชื่อว่าจักไม่ประนิพานก่อนพระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์พิสุสง์จะมีหวังอะไรในเราเล่าทาเราแสดงแล้วไม่ให้มีภายในไม่ให้มีภายนอกความปิดบังอำพรางในธรรมนั้นๆไม่มีแก่เราบัดนี้อายุของเราถึงแปสปีพระองค์เสด็จไปสู่ปาวานเจดีตรัสสั่งพระอานนท์ ให้ปูผ้านิสีด a n a แล้วประทับนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งพระองค์มีพุทธประสงค์จะให้พระอานนทูลอาราธนาเพื่อดำรงพระชนกับหนึ่งหรือเกินกว่านั้นจึงทรงทานิมิตอันจแสดงอนุภาพแห่งอิทธิบาทภาวนาว่าสามารถจะให้ท่านผู้ได้เจริญอยู่ได้กับหนึ่งหรือเกินกว่าอายุกับได้ ตัโอภาสปรยายนิมิตปันแจ้งชัดดังนี้สามหนมานเข้าดนใจพระอนุนจึงไม่สามารถจะรู้ความนั้นได้พระองค์จึงขับพระอนุนให้ออกไปเสียข้างนอกครั้นพระอนุ์ออกไปแล้วไม่นานนักมานก็เข้าไปทูลอาราธนาให้เสด็จเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็ทรงรับแล้วทรงกาหนดว่าต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนจึงจะนิพพาน พันพระองค์ตรัส ด, ดังนี้แล้วก็เกิดอัศจรรย์ต่างๆมีแผ่นดินไหวเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อพระอานนท์เห็นแผ่นดินไหวอันเป็นเหตุอัศจรรย์ดังนั้นจึงเข้าสู่ที่เฝ้าแล้วจึงทูลถามเหตุที่เกิดอัศจรรย์แผ่นดินไหวนั้นๆพระองค์จึงทรงตรัสถึงเหตุแปดประการที่ได้เกิดแผ่นดินไหวคือหนึ่งลมกําเริบ 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จติจากดุสิตลงสู่พระคันส 4. พระโพธิสัตว์ประสูตร 5. พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 6. พระตถาคตให้อนุตตรธรรมจักรเป็นไป 7. พระตถาคตปรงอายุสังขาร 8. พระตถาคตเจ้าปรินิพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิาพานภาตรวมทั้งแปดประการนี้แหลเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวพระอานุนทูลอารัธนาทัานพระอานตน์ได้ทราบว่าพระองค์ปรงพระชนมายุสังขารเสียแล้วจึงทูลอารัธนาเพื่อจะให้พระองค์ดํารงพระชนมายุอยู่สั่งสอนสัตวโลกตลอด ก, กับหนึ่งถึงสามครั้งพระองค์ก็ตรัสห้ามเสียแล้วตรัสว่า ตถาคดทานิมิตโอภาสณ์อันชัดและพระอานุลไม่สามารถจะรู้ไม่ได้วิงวอนตถาคตในครั้งก่อนกอนก็เป็นความผิดของอานนุ์ผู้เดียวและพระองค์ก็ทรงตรัสสถานที่พระองค์ทรงทานิมิตโอภาษณ์ให้พระอา น, นุ์ทูลอาราธนาถึง16สถานอยู่เมืองราช จ, จักรืสิบสถานคือ 1. ภูเขาคิดจกูดสองโคตะมะนิโครด 3. ามเหวที่ทิ้งโจรส สัสตตะบนนะรรณคกูหาข้างภูเขาเวพารบันพ5ห า, าลศิลาข้างภูเขาอิสิคริบันพศหกเงื้มชื่อสิ ป, ปิโสณธิกาณป่าศรีตะวันเจ็ดตะโปธารามแปดเวรุวันเก้าีวะกรัรมพวันสิบมัทกุจิมิขทายวันและที่เมืองเวสาลีอีหกสถานคือ ภูเทนเจดีสองโคตมะเจดีสามสัตตมพะเจดีสี่พระหกุตะเจดีห้าสารันทะเจดีหกปาวานเจดีคือภูเทนเจดีสองโคตมะเจดีสามสัตตมพระเจดีสี่พระหกุตะเจดีห้าสารันทเจดีหกปาวานเจดี รวมกัน16สถานด้วยกันดังนี้ประธานพระโอวาทแก่พระภิสุสงฆ์พลันพระศาสดาตรัสพระอานตน์ดังนี้แล้วก็เสด็จไปสู่กูดาคารศาลาป่ามหาวันตรัสให้ประชุมพิสุทั้งหลายบรรดาที่อยู่ในเมืองภัยสารีนั้นและพระองค์ทรงสแสดงอภิญญาเทสิทธรรมคือโพธิปักขิยธรรมและทรงสแสดงสังเว ยักาถาและอปะมาทธรรมว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายให้รู้ว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาเทเถิดแต่นี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะนิพพานทันรุ่งเช้าพระองค์ก็เข้าไปเมืองไพรสาลีเพื่อบิณบาต ขันปัจฉิมพัดกลับจากบินทบาทแล้วได้ทอดพระเนตรเมืองไพร า, าลีเป็นนาคบวโลกแล้วตรัสแก่พระอนุน์ว่าตถาคตเห็นเมืองไพร า, าลีครั้งนี้เป็นปัจฉิมทัศนะแล้วแล้วเสด็จพร้อมด้วยพิสุสง์ไปสู่บ้านกันทุคามแล้วตัดอริยธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและอริยธรรมสี่ประการแล้วแสดงไตรสิกขาสั่งสอนพิสุ มากกว่าธรรมมีคาถาอื่นๆไตรสิกขาคือศินสมาธิปัญญาอภินยาเทศิตธรรมคือสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพระห้าโพชฌงเจ็มรรคมี อ, องแปดไตรสิกขาคือศินสมาธิปัญญาปรงอายุสังขารแปลว่าเตนี้ต่อไปเพินเดือนหก เราตถาคตจะเข้าสู่พระนิพพานในระหว่างนางลังทั้งคู่สารวโนทยานนั่นเองแต่พระอานนต์ไม่รู้จักความหมายก็ไม่ได้นิมนต์พระองค์ไว้ในที่พระองค์แสดงให้พระอานุนนิมนต์ก็เมืองเมืองราชกุศมีสิบตำบล เมืองเวสาลีมีหกตำมนลแสดงให้นิมนต์ว่าขอพระองค์จงหย่าได้ผลิพานเถิดอย่างนี้พระอานนุ์ก็ไม่เข้าใจพระมารเข้าโดนใจพระอานนท์แต่จะอย่างไรก็ตามซอแสดงให้เห็นว่าธรรมเนียมของปัญญาที่กะก็ต้องมีอายุเพียงร้อยปีเป็นเกณฑ์เท่านั้นพระบรมศาสดาจะเข้าสู่พระนิพานไปแล้วก็ตาม คำสั่งและคำสอนของพระบรมศาสดานั่นเองจะเป็นศาสดาแทนพระบรมศาสดาเธอทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทจงพากันปฏิบัติตามสติกำลังตือจงพากันทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงความด้วยความไม่ประมาทพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นที่นี่ในวันนี้ ก็ได้ความแพงเท่านี้ที่นี่เรีย ว, ว่าวิสาขะบูชาวิสาขะเป็นชื่อของเดือนโอมาคะเป็นชื่อของเดือนที่นี่เราจะบูชาโดวยวิธีไหนพระบรมศารสราทรงสนเส ร, ร, ส ร, ร, ส ร, ริมบูชาด้วยดอกไม้ก็ดี บูชาด้วยอามิตรทั้งอื่นก็ดีก็มีอเนสงอยู่แต่ไม่เท่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาเมื่อไม่มีศีลก็สอนให้มีก็ห้าปฏิบัติเมีศีลมีทานมีศีลมีภาวนาเรียกว่าปฏิบัติบูชา มีอานิสงส์มากกว่าดอกไม้ทูบเทียนบูชาแต่จะเว้นไม่ได้เหมือนกันดอกไม้ทูบเทียนบูชาปูชาจะปูชนียานังเอตมังระมุตตมังบูชาด้วยดอกไม้ก็ดีด้วยปฏิบัติตามก็ดีเรียกว่าปูชาจะปูชนียานังบูชาในทางพระพุทธศาสนามีสองบูชา อเมิสะโบชาโบชาด้วยอาเมศปฏิบัติโ บ, บชาโบชาด้วยปฏิบัติตามทั้งสองอย่างนี้จะเทงไม่ได้ปฏิสันฐานก็มีสองอเมศสะปฏิสันฐานปฏิสันฐานด้วยอาเมศคือมาครูบุรีหรือน้ำหรือข้าวธรรมะปฏิสันฐานปฏิสันฐานโดยธรรมคือปารกเรื่องธรรมเรื่องวินัย ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้นั่นบูชาเราผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเราผู้ใดไม่ปฏิบัติธรรมผู้นั้นไม่ปฏิบัติเราผู้นั้นไม่บูชาเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราพระบรมศาสตดาว่าอย่างนั้นผู้เห็นธรรมนั้นผู้เห็นธรรมแปลว่าอยู่ไกลกันรอยโยธก็ถามก็เรียกว่าเห็นธรรม อยู่ใกล้กันกับเราจับชายจีวันเราอยู่แต่ไม่เห็นทรรมก็ไม่เห็นเราสอนอย่างนั้นทำคำสอนของพระพุทธศาสนาสอนให้รีบด่วนเพื่อปฏิบัติแทนทุกข์ในวัฏฏะสองสารเดียวจะเสียใจในภายหลังผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้บารมียังอ่อนอยู่ก็หวังในอนาคต ตามสติกำลังของตนผู้บา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วก็หวังในพระจุบัลยชาติที่นี้ท่านผู้ใดมีกรรมฐานอะไรก็พากันปฏิบัติตามสติกำลังวันนี้เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาตามสติกำลังของตนทุกค น, นจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามนอนไม่ความว่ำนอนไม่หลับส่วนหลับแล้วก็เป็นการแล้วไปเคยภาวนาอะไรก็ภาวนาอ น, นั้น ต่อไปเราก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้วันยังคำ่ำจะมาสู้ก็ไม่ไหว อ, อีกละตั้งแต่เช้ามามาได้พักเลยมีแต่รับเพี่น้องชาวพุทธก็ปักกักกยูก่อย่างนั้นละ่ะต่อไปนี่จะให้พอเนอะ ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสะคะรงเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปติอิทีตังปตีตังตูมหังเิปเมวะสัมมิสกตุสเพปูเรนตูสังกับปาจันโทภะนราโศยะถามณีโชติละโศยะถาสพิติโยเยวัจันโตสัพทุโคสัพพโยสัพโรโควินัส สัตโตมาเตพวัตวันตรายโยสุิีทีคายุโกพวะอภิวาทนาสีริษะนิจังมุต ธ, ธาปัจจายโนชัตตารร ธรรมวัันติอายุวนโนสุขังพระลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมาโนภาเวนะสัพพสรังตานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสรัตตานังตินังระจนาดังานุภาเวนะจตุราสีติสาสะธรรมขันธานุภาเวนะพิทกัตยานุภาเวนะีินาสาวกาณุภาเวนะสัเพเตโรคาสัเพเตพยาสัเพเตอันตรายาส สัพเพติวัฏทวาสเพเตทุนนิมิตตาสเพเตอวมังคราเวนัสันตุอายุวัฏโกทัาธนวัฏโกทักาสิริวัฏโกทัายะสวัฏโกทักาภราวัฏโกทักาวันวัฏโกทักาสุขวัฏโกทักาโหตุสัพพทาทุกขารคพยาเวราโสกาสัตตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสันตุชัเตชะสาชยสิทธิธัศนัง ลาพางโสตถิภาคขยังสังขังพลังสิริอายุจะวันโนเจ้าโพคังวุฒิเจยะสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตผวะตุสัพประมาณขลังละคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสตถิพวันตุเตผวะตุสัพประมาณขลังละคันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตาโสตถิพวันตุเตผวะตุสัพประมาณขลังละคัน สัพเทวตาสภาสร้างคานุภาเวะนะสทาโสถีพวันโตเตอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเธ อ, เ อ, เธอถ้าเราไม่เส่ยใจอย่างโลกนี้เถิดศีลก็รักษาเราที่ว่านโมเบืงต้นก็คือขว น, น้อมน้อมเดียพระสมมานพรพุทธเจ้าพระองค์นั้น่ต่อไปที่สองก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงสุติตาติก็ไม่ว่าจตถึงสุติตาติ จะถึงดูตาเท่าเข้าสู่ภายในวันอันนี้เราที่ว่าสามข้งของเพื่อให้มันถูกกับกาละเทศะเวลาเฉยๆหรอกอาจจะแท่เราก็ขอถึงพระพุทธธรรประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประวานเองแลลึกไร่เมืองไรก็ดีนะโม ต, าาตัสสะปะกวาตูรโตสัมมาสัมพุทธะนะโม ต, าาตัสสะปะกวาตูรโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาตูรโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธ Cold, ata, ังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยมปีสังขังสระนังขจามิ ตัิยมปีพุทธงสระนังขจามิตะทิยมปีธรรมังสระนังขจามิตะทิยมปีสร้างคังสระนังขจามิสระนังขจามิจว่าพิสดารสเพียงไหนก็จบเพียงนี้ไตสนาคมจบเพียงนี้เรียกว่าสระนังขมันังนิติตัง ต่อไปนี่ก็ปานาทิปาตาเวเดมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิปาณาทิปาตาเป็นข้อห้ามเวรมณีเว้นแล้วสิกขาปะทังสมาธิยมิเป็นสิกขาบทหนึ่งหนึ่งอาทิ น, นาชานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิ ตาเมสุเมตชาชาราเวระมณีศิคาปะตังสมาธียมิตมุสาวาทาเวระมณีศิคาปะตังสมาธียมิสุราเมระมัชะปมาทัตถานาเวระมณีชิคาปะตังสมาทียมิ อิมาในปัญจสิคขาปทานนสีเลนะสุปติงยันติสีเลนโพขะซัมปทาสีเลนะนิติงยันติตัดจมาสีลังเวโสทเยจะว่าะอาะไรก็ว่าซะ ปังส <Private S ality> ุจิวารานีสปริวารานีอิกูตังัง อุปโลกอ่ะอุปโลงทำแล้วสักเดินเอ า, อ เ, อ า, เ, อาเอาของขยับาเามอือของข้ามาใ ห, ให้ได้คัตจบาดเอาเอามาให้คัตจบาดสะกธรบุญฉลองอายุก็คือทรรบุญฉลองใจนั่นเองมีอายุอยู่ทุกวันหายใจต่ออายุไหวแล้วปู่ก็หายใจต่ออายุไหวชีวิตของลูกปู่ก็มีเพียงหายใจเข้าหายใจออกเท่นั้เหลือรางนั้นเป็นอดีตอนาคตพอแก่แล้ว หายใจต่ออายุไว้ช่วงนีนาทีเดียวลูกกหลานก็ยังมีที่หวังอยู่เพราะมันยังไม่แกศนกปูเคนหมดอายุแล้วเดี๋ยวนี้แปดสิบสามแล้วก็หมดหวังแล้วลูกหลานยังมีสิ่งที่โกหกจนอยู่เพราะยังหนุ่มยังมีที่หวังหลายหลายแพงเงากปู่หมดหลังแล้วเดี๋ยวนี้หายใจไปเป็นวันวันเท่านั้นแหละต่ออาหารสันอาหารก็ต่ออายุไปเป็นวันวัน หายใจก็ต่ออายุไปเป็นวินาทีต้องพิจาราอย่างนั้นพระอานุ์พิจารณาความตายวันละร้อยวันละร้อยครั้งพระบรมศาสดาบอกว่ายังประมาณอยู่นักอนุนนะพาบทุกลมห้ใจเท้าออกยิ่งดีพระบรมศาสดาทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่นจะต้อนเข้าข้อยากเวนโคและกระเบือเลย ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าภายนอกสร้างขึ้นจิตใจเป็นผู้ใจถึงในทางดีก็ทําดีขึ้นจงเป็นผู้ใจถึงในทางที่ทําดีถืออย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลยขบหลวงมาสัจธจงเป็นผู้มีอิสระทางทําดีถืออย่าเป็นผู้มีอิสระทางทําชั่วเลยจงเป็นผู้อ้างความจําเป็นว่าจะได้ทําดีอย่าอ้างความจําเป็นว่าจะได้ทําชั่วขบหลวงมาสัจธรสอนทําดีว่าเป็นที่พึ่งของใจนอกจากใจไม่มีอันใดจะทําดีให้ใจ นอกจากใจก็มีมอะไรจะทําช่ว่าห้ใจตรงกันข้าวใจก็มีคุณเป็นอาหารแต่ก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําไม่ถูกก็มีโทษเป็นอนันต์สามารถไปผูกคอตายก็มีถ้าทําไม่ถูกถ้าทําถูกก็สามารถจะไปสู่ทางมรรคในฝาถ้าทําผิดก็สามารถจะไปสู่นรกนรกก็ร ก, รกอยู่ที่จิตที่ใจสวรรค์ก็เป็นสุขอยู่ที่ใจ เพราะในพานก็ดับเพลินอยู่ที่ใจเพียนในทางพุทธศาสนาะเพียนละชั่วทำดีจงทำจิตให้บันเทิงในทารละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายให้เป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีอย่ามีอิสระในทางทำชั่วจงเป็นผู้เอาความดีมาอวดตนอย่าเอาความชั่วมาอวดตนเอง ตนคือใจใจคือตนตามสมมุติจะปฏิเสธไม่ได้ ต, น, ต, น, เตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองก็คือทําเป็นที่พึ่งของธรรมนั่นเองก็อยู่อันเดียวกันแลลืกได้ไม่นลืกได้พอดีขอถึงเส่งมูตพระธรรมประสงคอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณอธิษฐานหลายอย่างนั้นขอเป็นข้าเป็นท่านอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณขอคำามาทสดีอบพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณแล้วลืกได้ไม่เกได้พอดีต้องอธิษฐานจะต้องสัตตั้งสัต์หลายอย่างนั้น เวลาเราไม่ได้เลือกถึงก็ค่ายรว่าเราลืกถึงเพราะเราอธิษฐานมาอย่างนั้นแล้วเลือกได้ไม่ได้พอดีข้อบการถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาตาข้สูคุณได้านแล้วเลือกได้ไม่เลืได้พอดีขอขมาโทษต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณแล้วเลือกได้ไม่เลือกได้พอดีขอทูลขอทูลถวายสกุลลกายวายใจใจเป็นข้าเป็นท่าพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณมันก็หมดท้งนั้นผีเข้ามาใกล้ อน azzi, ันตรายก็มีอันตรายนัดที่เมย์เสียงดังกันอย่างสาระอื่นของเราไม่มีเพราพื่อการทประสงค์ตอนนั้นเป็นทุกข์เป็นของข้าพเจ้าเพื่ถึงวัดชวดาบันไม่เสียดายอยากลองละเมิดขีนทไม่เสียดายอยากลองละเมิดอะไบยมุขไม่เสียดายอยากจะค่าขายเครื่องอาารค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เต็มเลยน่าสับพิทูระค้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำมอนค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโวดดาวันไม่เสียดายอยากลองละเมิดเลย สิงไหนไม่เสียดายอย่างร่วงระเบิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักไก่พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิแล้วสอนพรมสมบัติเต็มภูมิแล้วสอนเนื้อานสมบัติเต็มภูมิแล้วมนุษย์สมบัติเต็มภูมิก็คือเว้นอบายสมุขถ้าไม่เว้นก็เป็นมนุษย์นิบัติก็เป็นสวรรค์นิบัติด้วยก็เป็นพรมนิบัติด้วยก็เป็นเนื้อานิวรัดด้วยจะบวทีร่านพภาษาขอตาม ภาวนาเก่งซีฟวันซีคืนยังกินอาหารกอดตามแต่เสียดายร่วงระมือศีนหน้าเสียดายร่วงระมิดอบายยมวัตูุมันก็ไม่ใช่พระโสดาบันมันก็เป็นพระโส ด, ดันโสดเดาโสดขาดเสน่ <c oughs> <c oughs> ถูกไหมซึ่งนี่นไม่เสียดายอยากร่วงระมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่รักไกจ เช่นเราพูาน้ำลายพิ้งมาเช่นได้จัดออกเปลนมามันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักเชนล้มฐานเพลิงอย่างนี้นเราไม่ใช่ได้จากรลวงลงลุยมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจฉันใดก็ดีผู้เห็นดวงตาเห็นธรรมก็อย่างนั้นไม่ใช่ได้จากร่วงล้เมื่อศีลห้ไม่ใช่ it. ไชด้จากร่วงเอาไปยมุกพระได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นทางชี้หายตรงตรงไม่มีสารอสตรเลยเห็นทางชี้หายโดยสายเดียวไม่มีสารอสตรนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบด้วย มีดวงตาเห็นด้วยคือตาปัญญาเห็นทางเสื่อมทางเจริญชัดพูด ถ, ถึงพระสวัสดิ์วันแล้วต่วแจ้นั่นก็จะถึงสักราคามีอนาคามีพระสารเป็นลําดับไปพระมัจจันวองทุ่นก็คือสุภชั น, นูคือพระสวัสดิ์วันเราดีๆบัณฑิศตัวขลามาวัตรสัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนก็คือเป็นพระสวัสดิ์วันนั่นเองพัฒนามนุษย์สมัติสวสรรค์สมบัติภูมสมบัตินิพพานสมบัติไปนในตัวด้วย พัฒนาวัตถุนิยมและอุรนิมขติไปในตัวด้วยถ้ามาอย่างนั้นก็ทําลายวัตถุนิยมและอุปนิมขติไปในตัวคนเป็นนี่เป็นศีลกันอยู่ทุกอย่างย่าคืออะไรมาจากอะไรก็มาจากอบายมุขเล่นเล็กเล่นผ้าเล่นบัดเล่นเบอร์สารพัดแข่งเรือแข่งมา้างบนวดอบายมุขทั้งนั้นโรงบาอบายมุขทั้งนั้น ดูนังดูละครอบายามุขทั้งนั้นฟุตบอลตะก็อบายามุขทั้งนั้นแต่อบายามุขที่ร่ายกาศก็คือเรื่นการสนั่นทุกชนิดหวยรัฐบาลก็อบายามุขหวยเถื่อนก็อบายามุขเชีย่ยวายด้วยอบายามุขมุขขะแลว่าเชีย่ยวายอยู่ซึ่หน้าซึ่งปากเป็นปากเป็นทางแห่งความเชีย่ยวายใครสอนดีก็ไม่ชอบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเนื้อหลกสังพวงแล้ว เขประสบการณ์มาแล้วพระบรมศาสดาเคยสร้างคารวะมาแล้วประสบการมาแล้วเคยบวชมาแล้วเคยอะไรมาแล้ว <Pie> เนื้อคนทางนั้นเหตุนั้นจึงมีคําสอนมาสอนพวกเราอย่างฝืนฝ้ายองอาจเลยทางไหนดีพระบรมศาสดาทําก่อนเราแล้วข้างชั่วก็ทั้งเดพาศก่อนเราแล้วประสบการมาทั้งทางดีและทางชั่วเหตุ น, นั้นจึงได้มาสอนพวกเราอย่างฝืนฝ้ายสิ่งไหนควรเว้นก็ให้เวน้นสิ่งไหนจะควรเจริญก็ให้เจริญเพราะได้ประสบการณ์มาแล้ว คนอืนไม่เหนือพระพุทธศาสดาไปดอกถ้าชาวโลกมีศีลธรรมบริบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมียสดงศีลธรรมเท่าทนั้นโลกสงบแล้วสงถามก็ไม่มีรักทกบยกล้อยิงราวยิงไทยก็ไม่มีที่ปล้นก็ไม่มีไปที่ไหนก็สบายนอนก็ไม่สะดุ้งผาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างโรคเอกก็ไม่มีเพราะมันเขารลบผัวมีอาชีพกันแล้วกัน นอกจากัวามือแล้วไม่มีใครจะมาล่วงละเมิดได้ถ้ามีเสียงหา้ามอลิบูลตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟแล้วพระพุทธศาสนาทำเป็นโกกรกบาลคุ้มครองโรกสองอย่างาค้ามละอายตบะความกลัวตบะเพระาะนั้นจะคุ้มครองโรกได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขคุ้มครองโรคไม่ได้พรพุกประเทศออกไหนไห น, ไหนมาก็มาประเทศอันเดียวกันการออกคดไม้กดหมูคดพักคดพวกไม่มองดูคําสอนในพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันชาวโลกทั้งหลาย ทำดีก็ใจเป็นผู้ใดดีทำชั่วก็ใจเป็นผู้ใดชั่วใครก็ไม่รู้เท่าใจใจเอ๋ยเธอเคยได้ทำดีไหมถ้ามันเคยทำมามันก็ตอบมันได้ถ้ามันไม่เคยทำมามันก็ตอบไม่ได้นักที่เราเกล้วหัวหน้ามันไม่มีความลับในใจเลยใจเลือกใสพระพุทธศาสนาใจก็รู้จักดูใจไม่เรือกใสพระพุทธศาสนาใจก็รู้จักดูไม่มีใครจะรู้ทันใจใจจะโกหกใจก็ไปไม่รอดเหมือนกัน ใจมีคุณเป็นผูหันแต่ก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําผิดบ่อยๆก็มีโทษบ่อยๆถ้าทําถูกบ่อยๆก็มีคุณ บ, อ บ, บ, บ่อยๆที่ประบุอยู่ที่ใจจะผูกคอตายก็เพราะใจจะเว้นก็เพราะใจเสียหน้าทำไมล่วงละเมิดก็มาเสียตนวดมีเสียตนวดอยู่ที่ใจกลมกลืนก็นเป็นเชือกหอก้าเสียยอเพราะพุ่อพระธรรพระสงฆ์ถ้าเขารับรับถือก็เป็นเชือกสามเสี้ยวอยู่ที่ดวงใจถ้าไม่เขารับรับถือก็เป็นเก็ไม่เห็นอยู่ทีใจ ความดีจะไปตรวจหาดินฝ้าอากาศมาเห็นถ้าตรวจก็รู้ก็ตรวจดูที่ใจถ้าใจได้เคยทําไหวใจก็ใจก็ตอบใจได้ถ้าใจไม่ได้เคยทําไหวใจก็ตอบใจไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้สร้างขึ้นพระบรมาศาสดาสอนอย่างนั้นเราเป็นผู้สอนพวกท่านถ้าความดีไม่มีในพวกท่านหรือพวกท่านมาสามารถทําดีได้เราก็ไม่สอนถ้ามันเหลือวิสัยของพวกท่านเราก็ไม่สอนสิ่งที่มันไม่เหลือวิสัยของเราสิ่งนั้นก็ไม่เหลือวิสัยของพวกท่าน พ ร, พระบรมศารีรากุลถ้าธรรมมีอยู่ไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจรึงสามารถรู้ทําได้เหตุ น, นั้นเราจรึงเคารพทำเราไม่สําคัญตัวออยู่เหนือธรรมพระบรมสารีรากุลอย่างนั้นช่าไหมก็เหมือนกันไม่สําคัญตัอ้อยอยู่เหนือดินและระดับน้ําต้องอาศัยในเหนือดินและระดับน้ําถ้าทิ้งเราก็ไปไม่รอดจะเก่งก็เก่งไะไรก็ตาม หนังสือก็เหมือนกันจะเขียนเก่งซัดเพียงไหนก็ตามถ้าไม่อาศัยบรรทัดก็ไปไม่ไหวไปก็ไม่ตรงซัดไดก็ดีตนไม้ก้นหมูก็ทักก้อนพวกของชาวโลกถ้าไม่อาศัยคําสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันสิ่งที่บาปบัญญัติเราเป็นบุญสิ่งที่บุญบัญญัติเราเป็นบาปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บัญญัติเราเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์บัญญัติเราไม่เป็นประโยชน์มันเข้าไปไม่รอดเพราะบัญญัติไม่ถูกบัญญัติเข้าข้างตัวเพราะพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติเข้าข้างตัว พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาก็มาสอนอันเดียวกันจึงทรงภาวนาศรัทธาเทวดามนตรสานังเล่นบทสอนของเทวดาในมนตาสวรรเหมือนเชื้ทิศจะมีกี่ระล่างก็เชื่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็เจงอีกเมื่อขึ้นหรือูไม่รู้เชื่อในทางเลืกซึ่งฝ่ายตำหนิอะไรๆทางพระนําให้น้องของบางต่างไรลงสู่มหาสมุทรไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไล่ลงสู่คาสอนคุณธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนัไม่พูดออีกก็จง ถ้าชาวโลกมีความละอายสถาบันมีความกลัวสบาบเนชาวโลกก็อยู่เป็นสุกตั้งกฎอนไม้ก้หมูมันก็อยู่ก้อนไมก้หมูก็อนพักก้พวกมันก็มาอยู่ถ้าไม่มีอยากอายตถาบานมีความกลัวสถาบานเขาบอกว่าพระไม่ควรเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีต่อไหนอ